ตอนที่28ปรางวัลใบแรกทุกวันตอนเช้าก่อนจะลุกขึ้นสะพายกระเป๋าไปโรงเรียนผมมักจะรู้สึกว้าวุ่นใจเหลือเกินผมชอบเรียนหนังสือ ผมชอบคุณครูในช่วงที่เราเร่ร่อนกันอยู่ผมก็มักจะแอบย่องเข้าไปในโรงเรียนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งได้แต่ชะเงเนื้อมองผ่านหน้าต่างเข้าไปดูนักเรียนที่กำลังเรียนหนังสือด้วยความอิจฉาแต่ทุกวันที่ไปโรงเรียนผมมักจะถูกนักเรียนรุ่นพี่ที่เกเรรุมแกล้งขวางทางผมไว้แล้วก็พูดจายอะเย้ยถากถางหัวราะดูถูกผมสารพัด คำพูดบาดหูเสียดแทงใจเหล่านี้แทบจะทำให้ทํานบความโกรธของผมทลายลงมาอยู่หลายครั้งแต่ผมก็ต้องอดทนไว้เพื่อจะได้ไม่ไปโรงเรียนสายผมได้แต่ก้มหัวลงแล้วก็พูดขอโทษพวกเขาอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ขอร้องให้พวกเขาปล่อยผมไปพอตกดึกนึกย้อนถึงการถูกเหยียดหยามที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันเไรก็รู้สึกปวดใจทีนั้น ผมรัวกำปั้นลงที่อกของตัวเองแล้วก็ซุกตัวร้องไห้ใต้ผ้าห่มวันหนึ่งที่โรงเรียนคุณครูเฉินเมี้ยวเรียกผมเข้าไปพบแล้วก็พูดว่าอาจิ้งตามซอกปูของเธอแล้วก็ที่คอของเธอนะ่ะมีแต่คราบสกปรกทั้งนั้นเลยมือเท้าก็ดาปีเลยนะกลับไปบ้านนะ่ะอาบน้ําอาบท่าถูเนื้อถูตัวให้สะอาดด้วยนะรู้ไหมผมหน้าแดงขึ้นมาทันที ดีที่คุณครูผู้เอาใจใส่ผมพูดด้วยเสียงที่เบาราวกับกระซิบนักเรียนคนอื่นจึงไม่ได้ยินแต่กรานั้นผมก็ยังรู้สึกอับอายมากอยู่ทีเดียวเมื่อกลับถึงบ้านผมก็รีบไปยืมกระจกคนข้างบ้านมาส่องดูตัวเองทันทีนับเป็นการส่องกระจกครั้งแรกในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาผมมองเห็นตัวเองในกระจกแล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวผมถอดเสื้อผ้าออก ใช้กระจกส่องดูตามซอกมุมส่วนต่างๆของร่างกายแล้วถึงกับร้องไห้ออกมานี่ใช่ผมเหรอเนี่ยใช่ผมจริงๆนะเหรอฟันสีเหลือง จ, จัดจนเป็นคราบดังสกรปรกทั้งที่หูคอหลังและก้นก็มีแต่คราบใครสกรปรกจับตัวกันเป็นแผ่นๆคงจะต้องใช้คำว่าชีวิตเปื้อนฝนจริงๆสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ บ้านเราไม่เคยได้อาบน้ำเลยสักครั้งสองสามอาทิตย์เราจึงจะใช้ผ้าขาดๆชุบน้ำหมาดๆเช็ดตัวกันสักครั้งหนึ่งเวลาเช็ดนั้นแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่ต้องถอดออกบนหัวเราก็มีแต่เหาเต็มไปหมดตัวก็มีแต่เห็บขันกันจนแทบทนไม่ไหวเวลาขันมากๆก็จะเอาตัวถูไปไถมากับกาแพงหรือบางทีก็โกนหัวกันทั้งบ้านเสเลยผมจาได้ว่า ครั้งหนึ่งขณะที่ผมขอทานและก็เกาตามเนื้อตามตัวอยู่นั้นมีคุณนายคนหนึ่งกําลังจะเอาอาหารมาให้พอเธอเห็นผมเกาโน่นเกานี่ไม่หยุดก็ถามผมด้วยความอาถรว่านี่ไม่ได้อาบน้ำอาบท่ามานานเท่าไหร่แล้วละจ้ะหนูผมยกมือขึ้นชู์สามนิ้วออกมาให้เธอดูคุณนายเห็นดังนั้นก็อุทานออกมาอย่างตกใจว่าฮะสามเดือนใช่หรอผมสายหน้าไม่ใช่ครับ คงจะสามปีได้แล้วมั้งครับคุณนายตกใจจนของแทบจะร่วงจากมืออาโหอาหารอะไรก็ไม่ให้ผมแล้วเธอรีบหมุนตัวกลับไปปิดประตูใส่หน้าผมดังปังพอตอนนั้นกลับมานึกทบทวนดูอีกทีก็เริ่มคิดได้ว่าไม่น่าละ่ะผมจึงได้โดนคนอื่นโดูถูกถูกรุ่นพี่ผมเหงวรังแกมีหน้าละ่ะจึงไม่มีเพื่อนคนไหนอยากจะฉีดปลายเข้ามาใกล้ผมมีหน้าละ่ะ พอใครๆได้กลิ่นตัวผมจึงรีบพากันหลบลี้หนีห่างไปโดยเร็วตัวผมที่เร่ร่อนออทางมาถึง1ิบปีเต็มโดยไม่เคยได้อาบน้ำเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่แท้ก็มีสาระรูปเป็นแบบนี้นี่เองผมหยิบฝอยขัดหมอ้อขึ้นมาขัดคราบสกรปรกตามเนื้อตัวออกขัดจนผิวผมทั้งเจ็บทั้งแสบทั้งบวมทั้งแดงไปหมดแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะสะอาดขึ้น แต่ผมก็ยังไม่พอใจขัดไปก็เช็ดน้ำตาไปนี่เป็นครั้งแรกที่ทำให้ผมรู้สึกถึงความสำคัญของรูปลักษณ์ของบุคคลหากผมไม่รู้จักดูแลและเคารพตัวเองแล้วใครจะให้เกียรติผมหลายสัปดาห์ผ่านไปคุณครูให้นักเรียนทุกคนยกมือเลือกหัวหน้าชั้นและหัวหน้ากลุ่มผมได้รับเสียงสนับสนุนจากนักเรียนทั้งห้องให้เป็นหัวหน้าชั้น คุณครูส่งยิ้มให้กำลังใจผมผมก็ส่งยิ้มตอบกลับให้คุณครูไม่รู้ว่าคุณครูจะเห็นหรือเปล่าว่าในรอยยิ้มของผมนั้นมีกล้ามน้ำตาแฝงอยู่ด้วยผมคิดว่าลักษณะและความสามารถในการเป็นผู้นำของผมน่าจะเป็นผลจากการที่ผมมีชีวิตประหกระเหินมานานกว่า1ิบปีการต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติและสิ่งวดล้อมอันหดร้ายตลอดจนสัตว์ใหญ่น้อยทุกประเภท ทำให้ผมเผชิญหน้ากับเรื่องต่างๆได้อย่างใจเย็นและเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่นมีความกระตือรือร้นในการทำงานแทบทุกอย่างและการที่ต้องดูแลทั้งพ่อและแม่ตั้งแต่อายุเพียงสามสี่ 3, ขวบจึงทำให้ผมเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมีน้ำอดน้ำทนและมีน้ำใจทั้งยังช่วยหลอ่อๆลอมให้ผมมีนิสัยเข้มแข็งและกล้าหาญด้วยเมื่อได้เป็นหัวหน้าชั้น ความภาคภูมิใจนี้ก็ทำให้ผมบอกกับตัวเองว่าผมจะต้องภาคเพียรให้มากกว่าเดิมถึงฟ้าจะลิขิตผมเกิดมาในครอบครัวขอทานแต่ผมก็จะต้องเป็นเด็กขอทานคนหนึ่งที่ยืดอกได้อย่างเต็มภาคภูมิเวลาอยู่ที่โรงเรียนผมจะทำตัวให้เป็นแบบอย่างกกบเพื่อนในชั้นดังนั้นชั้นเรียนของเราจึงมักจะได้รับรางวัลที่หนึ่งในเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนชนะเลิศในการประกวดประเภทต่างๆแทบทุกรางวัลด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ผมกลายเป็นที่รักของเพื่อนร่วมชั้นมากขึ้นเรื่อยๆส่วนตัวผมเองนั้นผมจะอ่านหนังสืออย่างบ้าคลั่งทุกวันแม้บางคืนจะได้นอนไม่ถึงสามชั่วโมงก็ต้องตื่นแต่ผมก็ไม่เคยละทิ้งโอกาสใดๆที่จะทาให้ผมได้อ่านหนังสือต่อไปในที่สุด ผลการสอบวัดผลในเดือนแรกออกมาปรากฏว่าผมสอบได้คะแนนเต็มทุกวิชาและสอบได้เป็นที่หนึ่งของนักเรียนทั้งสายผมยังจำได้ว่าในวันประชุมนั้นครูใหญ่เป็นผู้ยืนมอบรางวัลอยู่ที่หน้าเวทีตอนที่ครูใหญ่ประกาศว่าขอเชิญเด็กชายไล่ตรงจิน้นประถมหนึ่งห้องขอให้ออกมารับรางวัลผมตื่นเต้นดีใจจนตัวสัน่น ขนลุกสู้ไปทั้งตัวผมอยากจะตะโกนออกมาลึกเกินว่าผมเองครับผมเองผมเองครับผมวิ่งออกไปรับเกียรติบัตรและรางวัลด้วยความปราปลื้อใจยิ่งในวินาทีที่มือผมได้สัมผัสกับเกียรติบัต t นั้นผมรู้สึกราวกับถูกไฟฟ้าชอ็อตมือผมสั่นจนแทบจะถึงเกียรติบัตรบางๆแผ่ น, นั้นเอาไว้ไม่ไหวน้ําตาร้อนผ่าหยดลงบนเกียรติบัตรที่หนึ่ง ทีนึ่ผมทําได้แล้วผมทําได้แล้วจริงๆวันเวลาแห่งความภาคเพียนที่สู้อดทนยืนท่องหนังสืออยู่ตามข้างถนนคุกเข่าทําการบ้านกับพื้นดินอันแสนจะค ร, ครุขกรัความอดสาหะของผมไม่ได้ศูนย์เปล่าเลยผมสอบได้ที่หนึ่งแล้วตอนที่ผมกําลังหานตัวกลับลงจากเวทีนั้นคณะครูอาจารย์และนักเรียนทั้งโรงเรียนต่างก็คึกคักกันสุดขีด เสียงปรบมือแสดงความชื่นชมดังสนั่นหวั่นไหวในโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้แทบไม่มีใครไม่รู้สภาพครอบครัวของผมผมรู้ว่าพวกเขากำลังเอาใจช่วยผมไม่เพียงแต่เฉพาะเรื่องเรียนเท่านั้นแต่ยังช่วยให้กำลังใจผมให้มีพลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตในวันข้างหน้าด้วยวันนั้นระหว่างที่ผมเดินอยู่ในโรงเรียนคณครูที่เดินผ่านไปมา ก็จะเข้ามาตบไหลและจมเฉยผมรุ่นพี่บางคนที่ยืนอยู่ริมระเบียนชั้นบนก็ยกนิ้วหัวไม่มือให้ความรู้สึกนี้แค่คำว่าปิดปดิบบรรยายได้ไม่หมดหรอกแต่แล้วความปรีดาของผมก็ค่อยๆลดจานลงพอหมดชั่วโมงเรียนเลิกเรียนระหว่างเดินกลับบ้านเมื่อนึกถึงว่าทั้งพ่อและแม่ ก็ไม่รู้นักเสิร์แล้วจะมีใครมาร่วมแบ่งปันความสุขความยินดีครั้งนี้ด้วยกันกับผมเล่าผมกอดเกียรติบัตรไว้แน่นยืนมองดูแม่ที่กำลังนั่งเล่นดินสา ย, ยู่ที่พื้นหน้าบ้านผมรู้สึกสะท้อนใจขึ้นมาทันทีเกียรติบัตรใบนี้ก็คงเป็นเพียงแค่เศษประร ด, ารรดา่าธรรมดาไปหนึ่งสำหรับแม่เท่านั้นผมยื่นมือออกไปแล้วก็เปลี่ยนใจหดกลับเข้ามา ใบหน้าปราศจากรอยยิ้มใดๆผมเดินเข้ามาชิดพ่อด้วยความหวังที่เป็นเหมือนฝางเส้นสุดท้ายพูดขึ้นอย่างระมัดระวังว่าพ่อครับพ่อลองจับกระดาษแผ่นนี้ดูสิครับพ่อครั่งดูนิดหนึ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นอย่างสงสัยพ่อครับนี่เป็นเกียรติบัตรนะครับเป็นใบประกาศผลสอบได้ที่หนึ่งของผมเลยครับพ่อผมพูด แม้แต่จะตอบว่าเออสักคำก็ยังไม่มีพ่อใช้ไม้เท้าประคองตัวลุกขึ้นยืนช้าๆผมคิดว่าพ่อน่าจะลูกหูผมสักหน่อยหรืออย่างน้อยก็น่าจะพูดสักคำว่าเก่งจริงหรือไม่ก็พูดว่าเยี่ยมไปเลยก็ยังดีผมเงยหน้าขึ้นมองพ่อท่านกระแอมเหมือนตั้งท่าจะพูดผมรอคอยท่านด้วยสายตาเปี่ยมความหวัง แล้วพ่อก็พูดขึ้นว่ารีบไปหุงข้าวซะเดี๋ยวต้องออกไปขอทานกันแล้วพูดจบพ่อก็หมุนตัวเดินออกจากห้องไป ท, ทันทีฮะผมรอจนท่านเดินออกจากห้องไปแล้วจึงมีกําลังเป่งคํานี้ออกมาอย่างยากเย็นครับผมจะไปหุงข้าวเดี๋ยวนี้แหละทําไมคักจมูกจังนะเอาละ่ะเดี๋ยวก็ต้องออกไปขอทานเหมือนเดิมแล้ว ทำไมมันช่างเจ็บแปลกในใจอะไรเช่นนี้ผมเต็มใจทาทุกอย่างอยู่แล้วละครับแต่ว่าเกียรติบัตรใบนี้ผมจะถือกลับมาให้ใครชื่นชมไม่รู้ว่าผมเกิดมุทะลุอะไรขึ้นมาจู่ๆก็วิ่งออกไปนอกประตูรัว้วนั่งคุกเข่าลงกับพื้นสองมือประคองใบเกียรติบัตรไว้แหงหน้าขึ้นมองฟ้า แล้วผมก็ตะโกนอ่านตัวหนังสือที่เขียนไว้บนเกียรติบัตรดังๆชัดๆเน้นทีละตัวเกียรติบัตรนี้ขอมอบเพื่อเป็นเกียรติแกเด็กชายไล่ตรงจิ้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งห้องขอที่สอบได้ที่หนึ่งในการสอบครั้งที่หนึ่งเทอมที่หนึ่ง ปีไต้หวันที่57ขอมอบเกียรติบัตรไว้ณนะโอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจพอผมอ่านจบรอบแรกก็ยกแขนเสื้อขึ้นเช็ดน้ำมูกและน้ำตาแล้วก็เริ่มอ่านมันอีกครั้งหนึ่งตอนที่29หัวใจสลาย วันนี้เรียนแค่ครึ่งวันได้กลับบ้านมาตอนเที่ยงวันนี้อากาศดีจริงๆดวงอาทิตย์สาดแสงจัดจ้าผมรีบลากเอาที่นอนและผ้าปูขาดๆ ข, ข, ของเราออกมาตากแดดบนพื้นหวังว่าความร้อนของแสงอาทิตย์จะช่วยทำให้เจ้ตัวเห็บตัวหมัดตกใจรีบประเดมหนีออกไปไกลๆได้บ้างจากนั้นก็รีบเปลี่ยนชุดเครื่องแบบนักเรียนแล้วก็ออกไปขอทาน ยังมีเวลาเหลืออยู่อีกตลอดบายในที่สุดผมก็มีโอกาสได้ค่อยๆเดินสูตรอากาศหายใจเสียทีเดินมาจนถึงสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านผมเห็นพวกเด็กๆพากันล้อมวงเล่นลูกข่างกันอย่างเพลิดเพลินพวกเขาใช้เชือกพันลูกข่างไว้ก่อนแล้วก็คว้างมันออกไปพอลูกข่างหมุนตกลงถึงพื้นมันก็จะหมุนต่อไปไม่หยุดพวกเด็กๆทั้งกระโดดและกรีดร้องกันอย่างสนุกสนานเต็มที่ มิหน้าละผมจึงได้ยินเสียงมัวรราอกรีกราดของพวกเขามาแต่ไกลอยากจะลองแตะลูกขานั้นดูบ้างจังเลยผมอุ้มขันขอทานคู่ชีพไว้แนบอกจะนักงปีเท้าโดยไม่รู้ตัวเฝ้าจ้องดูเจ้าลูกขางที่หมุนวนไปมาตาแทบไม่กระพริบตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยมีของเล่นเลยสักชิ้นเดียวตอนเด็กๆพี่สาวเคยเก็บตุ๊กตาผ้าเก่าๆที่เจ้าของทิ้งแล้วได้ตัวหนึ่ง หน้าของมันทั้งดำทั้งสกปรกลูกตาที่ทำจากกระดุมก็หลุดหายไปข้างหนึ่งเสื้อผ้าก็ถูกเจ้าของเก่าฉีกเสื้อขาดวิน่นแต่พี่สาวก็ยังรักและหวงแหนยิ่งนักแม้พี่สาวจะพยายามชวนผมเล่นตุ๊กตาด้วยหลายครั้งแต่ผมก็ปฏิเสธเสียทุกครั้งเพราะตอนนั้นผมรู้สึกว่าเด็กผู้ชายเล่นตุ๊กตาแล้วดูกระตุ้งกระติ้งอย่างไรชอบก่น มีฉากหนึ่งในชีวิตที่ผมคงไม่มีวันลืมได้เลยท่ามกลางลำแสงสุดท้ายของยามเย็นผมเล่นโยนก้อนหินแข่งกับตัวเองอยู่นอกบ้านโดยพยายามโยนออกไปให้ไกลกว่าครั้งที่แล้วส่วนพี่สาวนั่งอยู่กับพื้นคุยกับตุ๊ ก, กตาของเธอยอดหญ้าแผ่พลิ้วถูกแสงอาทิตย์ทาบทอจนเปล่งประกายสีทองทั่วไป ใบหน้าด้านข้างของพี่สาวกับใบหน้ามองแมมของเจ้าตุ๊กตาน้อยสะท้อนใส่กันท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นความเงียบสงดปกคลุมไปทั่วทั้งผื้นแผ่นดินพอรู้สึกตัวว่าผมกำลังมองอยู่เธอก็ เ, เ, เงยหน้าขึ้นมาส่งยิ้มหวานให้ผมโลกคงจะหยุดหมุนไปแล้วเป็นแน่แสงอาทิตย์ในยามอสดงนี้ยอดญาแผ่พลิ้วอย่างนี้ งามงดเช่นนี้เองแต่ตอนนี้นึกขึ้นมาแล้วทำให้คิดว่าเจ้าตุ๊กตาที่แสนจะยับเยินตัวนั้นเป็นเสมือนคำทำนายชะตาชีวิตของพี่สาวผมดูพวกเด็กๆเล่นลูกขางแล้วก็อดไม่ได้ที่จะขยับตัวเข้าไปใกล้ๆเด็กบางคนโยนลูกได้ไม่ดีพอคว้างออกไปแล้วแทนที่ลูกขางจะหมุนก็กลับวิ่งออกไปสไกล พอผมเห็นจึงรีบวิ่งไปช่วยเก็บลูกขางมาส่งคืนให้แต่พวกเขากลับทำหน้าล้อเรียนใส่ผมไอตูดหมึกเอ้ยใครใช้ให้แกไปเก็บมาให้วะแหมจริงๆเลยทำดีก็ไม่ได้ดีถึงจะไม่ได้เล่นเองแค่ได้ดูคนอื่นเล่นเท่านี้ก็ถือว่าดีถมไปแล้วสำหรับผมลูกขางที่หมุนไปมาก็เหมือนกับกงล้อแห่งชะตาชีวิต บางครั้งก็หมุนได้ราบรื่นดีแต่บางครั้งก็หมุนเอียงไปเอียงมาทีสองทีแล้วก็กลับหยุดเช่เฉยอย่างนั้นแหละชะตาคนเราก็เหมือนกันความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเชือกเส้นนั้นหยุดใต้การควบคุมของมือเราชะตาฟ้าลิขิตไว้แต่สองมือเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้พอคิดว่าแค่ดูคนเล่นลูกขา่า ยังนึกเปรียบกับสัจธรรมชีวิตได้ผมก็อดที่จะแอบอมยิ้มอย่างภาคภูมิใจอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วผมก็ก้าวเท้าเดินเข้าไปอย่างไม่เกรงกลัวพูดกับเด็กคนที่ตัวโตกว่าใครว่า mm. พี่ชายผมขอยืมเล่นลูกขามบ้างจะได้ไหมไปให้พ้นหลย mm. เขาพูดพร้อมกับบอกเหมือนไล่อยากเล่นล้ําทําไมไม่รู้จักไปซื้อมาเล่นเองละ่ะให้กระจอกเอ้ยให้ลูกขอทาน ฉันไม่มีวันให้แกยืมหรอกไปบอกพ่อแกให้ซื้อเองซิวะผมฟังแล้วก็ได้แต่ก้มหน้าลงช่างเถอะการเปลี่ยนแปลงตนเองย่อม ง, ง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นเวลาที่ถูกคนอื่นดูถูกก็จงมุกมานัให้มากกว่าเดิมผมก้มหน้าลงท่องอเบาๆผมเคยได้ยินคำเหล่านี้จากพวกผู้เฒ่าที่พูดเพื่อปลุกใจกันในงานประชุมตั้งแต่สมัยที่เรายัางเร่ร่อนกันอยู่ แถวบ้านนอกตอนนี้เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ว่าผมมัวแต่ห่วงเล่นเพลินจนเกือบจะลืมไปว่าคนที่บ้านกำลังรอกินข้าวเย็นจากผมอยู่เลิกห่วงเล่นสัทีรีบไปขอทานดีกว่าขอให้วันนี้โชคดีด้วยเจนนะถูกด่าน้อยลงนิดมีข้าวกินมากขึ้นหน่อยพอเดินมาถึงประตูบ้านหลังหนึ่งกำลังจะยกมือขึ้นเคาะประตูอยู่พอดี บังเอิญได้ยินเสียงผู้ใหญ่ประสิบกระราบกันอย่า ง, งมีรับลมคมในพร้อมกับเสียงหัวเราะเฮฮาอย่างเบิกบานใจดังก้องขึ้นตรงหัวมุมถนนสีก่อนในบทสนทนาที่ฟังดูคลุมเครือนั้นเหมือนจะมีชื่อพ่อผมอยู่ด้วยผมจึงเงี่ยหูฟังด้วยความตั้งใจใช่ใช่ก็ลูกสาวพอไอ้งูซื้อนั่นแหละได้ยินว่าสวยเสด็จไปเลยแหละเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องพูดถึงเลยอาทิตย์ที่แล้วนะ ข้าก็เพิ่งไปเที่ยวมาทั้งสิงทั้งเาะเลยวะเขาว่ากันว่าเด็กเาะเนี่ยบำรุงสายตาไม่ใช่หรอวะนี่นี่จะมัวสำเร็จสำราญอยู่คนเดียวไม่ได้นะเมื่อไรจะพาพวกเราไปด้วยล่ะสบายใจได้ไว้ใจเถอะเดี๋ยวข้าจะพาไปเองไว้วันไหนพวกเรานัดกันสองสามคนไปสนุกกับเธอด้วยกันก็ได้ เสียงหัวเราะสวนเซฮยประสานกันลอยละล่องไปตามสายลมแต่ละเสียงเหมือนมีดแต่ละเล่มที่ปรีเข้ามากรีดหัวใจผมผมกลั้นใจที่เจ็บดังโดนมีดกรีด ก, กดซ่อนไว้ภายใต้เสียงที่คำรามออกมาผมขบกรามแน่นยกสองมือขึ้นปิดหูแล้ววิ่งพรวดพราดเข้าไปในซอยแคบๆ แ, แล้วสุดตัวลงกับพื้นร้องไห้โฮ ผมกู่เสียงขึ้นร้องกับฟ้าอย่างหวยหวนโอ้สวรรค์ท่านหลับอยู่หรืออย่างไรกันพี่บ้านเราจนจนต้องขายพี่ไปแล้วยังถูกพวกคนมีเงินเยียบย่ำเอาถึงเพียงนี้ช่างหน่าอัปยศอดสู้อะไรอย่างนี้หนอช่างเจ็บปวดทรมานอะไรถึงเพียงนี้หนอผมทุบ ก, กําปั้นลงกับพื้นด้วยความเครียดแค้งชิงชังผมแค้น จนอยากจะให้มีมีดสักเล่มในมือผมจะเอาไปแล่นเนื้อให้คนสาระเลวที่รังแกพี่ผมพวกนั้นละ่ะให้ตายกันให้หมดเลยจะฆ่าพวกมันให้ตายให้หมดจะแทงพวกมันเป็นหมืนม่นๆเป็นพันๆแผลเลยพี่ครับผมขอโทษเป็นเพราะอาจินไม่ดีเองอาจินไม่ควรอยากจะไปโรงเรียนเรียนหนังสือเลยอาจินเป็นน้องที่เห็นแก่ตัวพี่ ผมคิดถึงพี่และเกินผมขอโทษความเครียดแค้นและความอดโสทำให้ผมกัดดิ้มที่ปากตัวเองจนแตกยับเยินแต่ผมกลับไม่รู้สึกเจ็บเลยแม้แต่น้อยจากนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นเมื่อใดก็ตามผมจะต้องมีหนังสือเรียนติดอยู่ในมือตลอดเวลาผมจะต้องเอาชนะต่อชะตากรรมให้ได้ผมจะต้องได้รับเกียรติบัตรมากยิ่งขึ้นไปอีก ผมจะต้องทำให้สวรรค์เห็นให้ได้และผมจะต้องช่วยพี่สาวออกมาจากนารกนั่นให้ได้พี่ครับรอผมหน่อยนะครับตอนที่สามสิบบ้านแสนรัก หลังจากเข้าเรียนแล้วเราจึงมีบ้านจริงๆของเราเป็นครั้งแรกพ่อหาเล้าหมูร้างได้เล้าหนึ่งที่หมู่บ้านเฉียนจูอําเภออูรือไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของเดิมนี้หายไปไหนซะแล้วจึงได้ปล่อยเล้าหมูทิ้งไว้ให้รกร้างเช่นนี้พอรู้ว่าจะได้ย้ายเข้ามาหยุดที่เล้าหมูผมก็ตื่นเต้นเริงร่าไปหลายวันทีเดียวแม้เพื่อนบ้านด้านซ้ายของเราจะเป็นบรรดาหมูน้อยใหญ่และเพื่อนบ้านด้านขวา จะเป็นพ่อวัวกับแม่วัวทั้งขี้หมูและขี้วัวตางทรงกลิ่นโชยออกมาตีกันอยู่ตลอดเวลาแล้วพวกมันก็ยังร้องเสียงดังมากๆแต่อย่างน้อยในที่สุดเราก็หนีออกจากสุสานในป่าช้าอันน่าสะเพริงกลัวมาได้เสียทีถึงเวลากลับบ้านตอนกลางคืนก็ไม่ต้องคอยหวาดระแวงจนขวัญห น, นีดีฟอร์เวลานอนผมก็ไม่ต้องคอยกลัวว่าจะถูกผีอามอีกต่อไป ถ้าบอกว่าเล้าหมูเป็นบ้านของเราก็รู้สึกอับอายอยู่สักหน่อยเพราะบ้านที่มีพื้นที่7ตารางเมตรนี้ไม่มีประตูและห้องซ้วมผนังก็เก่าลอกถลอกไม่น่าดูพื้นก็ไม่เรียบราบสม่ำเสมอแถมยังต้องใช้ไม้ไผ่ลาใหญ่สองลคอยช่วยค้ำเอาไว้ไม่ให้เอียมด้วยบางครั้งพอมองไปที่ผนังดินนั้นแล้ว เขาอดรู้สึกปกสั่นขวัญแขวนขึ้นมาไม่ได้ต้องรีบยกมือขึ้นพนมมีิงวนต่อฟ้าเพราะกลัวว่าถ้ากลางคืนมันเกิดถลม่มล้มลงมาจริงๆแล้วเระก็เราคงต้องพากันตายยกบ้านเป็นแน่กระดานไม้แผ่นหนึ่งกับหินที่รองอยู่ด้านล่างประกอบกันเท่านี้ก็เป็นเตียงนอนได้แล้วสมาชิกทั้งสิบคนของครอบครัวเรานอนด้วยกันบนเตียงนี้ หัวชนเท้าเท้าชิดหัวทุกคนนอนเบียดยัดกันได้อย่างลงตัวพอดิพอดีพอดีจนแทบจะขยับพลิกตัวไม่ได้เลยบ้านเราไม่มีไฟฟ้าค่ำลงก็จุดเทียนให้แสงสว่างแต่ที่จริงแม้ตอนกลางวันในห้องก็ยังดูอับทึมอยู่เสมอครานั้นที่เพดานก็ยังอุตสาามีรูรั่วอยู่นับสิบรูฝนตกพิไร ก็ต้องช่วยกันวิ่งหาถ้วยกะละมังฐันมารองกันอย่างวุ่นวายน้ำฝนหยดติ้งติ้งลงมาอย่างไม่ขาดสายและเป็นเพราะบ้านเราไม่มีห้องส้วมดังนั้นเราจึงต้องหากระถ or พลาสติกมาใช้แทนส้วมถ่ายทุ ก, กันแต่ละทีก็เหม็นถึงไปทั่วห้องพอใช้จนเต็มกระโถนแล้วก็เป็นหน้าที่ผมที่จะเอาไปเททิ้งในแม่น้ําอยู่ทุกวันพอตกดึกก็ยิ่งคึกคักกันไปใหญ่ ทงหนูและมแมลงสาบต่างก็ออกมาปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานจี๊ดจี้จ้าจัากันอย่างเต็มที่บางครั้งเหมือนจะมีประชุมด่วนเพราะฟังดูร้อนรนและพร้อมเพรียงบางครั้งก็เหมือนกําลังเล่นเกมกันเกรดเสียงร้องกันเสียงสูงสูงต่ําๆเดี๋ยวตัวนั้นร้องทีเดี๋ยวตัวนี้ร้องทีมีบางครั้งที่เราได้ยินเสียงดังตุ๊บ จากนั้ น, น, น, นก็ตามมาด้วยเสียงกรนกลางนั่งจีจาจีจานึกว่าอะไร <S 2> <S 2> <S ที่แท้ก็เป็นเพราะ <sized> พ, พวกหนูเล่นกันสนุกไปหน่อยก็เลยหล่นลงมาจากหลังคาผมกับน้องๆ น, นอนกันอยู่บนเตียงเห็นแล้วก็อดหัวเราะกันจนท้องคัดท้องแข็งไม่ได้บางครั้งขนาดกลางวันแสงพวกหนูก็ยังอุตส่าห์ออกมาเยี่ยมเยียนเที่ยวเล่นพ่อพยายามเี่ยวหูฟังว่าเสียงมันมาจากทางไหนแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ส่ตีไปทั่ว ผ่านไปเป็นอาทิตย์พ่อก็ยังตีไม่ได้เลยสักตัวพ่อโมโหจนยอมลงทุนควักเงินซื้อเหล็กดักหูมาดักไว้ตรงมุมห้องครั้งหนึ่งผมไม่ทันระวังจึงไปเหยียบโดนกับดักเข้าเจ็บจนต้องตะโกนลั่นว่าโดนหนีบแล้วโดนหนีบแล้วแล้วผมก็เจ็บซี่จนร้องอะไรไม่ออกอีกฝ่ายพ่อผมเข้าใจว่ากับดักหนีบโดนหนูเข้าแล้วก็ตื่นเต้นดีอกดีใจใหญ่รีบบอกผมว่า นี่โดนล้วเลยดีจริงเชียวอาจิงแกไปจับมาให้พ่อทีสิเดี๋ยวพ่อจะสั่งสอนมันสันหน่อยต้องเอาไปล้างน้ําก่อนแล้วค่อยเอามาย่างไฟผมร้องขึ้นอย่างทุรนทุรายว่าโทพ่อที่โดนนะ่ะเท้าผมตั้งหาแม้จะย้ายบ้านใหม่แต่ชีวิตผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสักเท่าไหร่พอนักเรียนทุกคนขึ้นชั้นประถงปีที่สาม ก็ต้องเริ่มห่อข้าวไปโรงเรียนเองพ่อกับแม่หุงข้าวไม่เป็นผมจึงต้องช่วยเหลือตัวเองซึ่งข้าวปินโตของผมมักจะมีแต่ข้าวเปล่าเป็นส่วนใหญ่บางครั้งข้าวแฉะจนแทบจะเละเป็นข้าวต้มอยู่แล้วบางครั้งหุงนานเกินไปข้าวก็แข็งจนแทบจะกลายเป็นข้าวตันไปเสีหมดเพราะถึงเวลากินข้าวกลางวันเพื่อนๆก็มักจะขยับเก้าอี้เข้ามาล้อมวงกินข้าวด้วยกัน เด็กนักเรียนชายบางคนที่ซุกซนหน่อยก็มักจะแย่งกินกับข้าวในบินโตของเพื่อนคนอื่นไปทั่วส่วนผมกลัวว่าเพื่อนๆจะเห็นข้าวในปินโตจึงเปิดฝาบินโตขึ้นเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็รีบตั้งหน้าตั้งตา ก, กินเงี ย, งยบๆอยู่คนเดียวให้หมดไปดีที่ผมเป็นหัวหน้าชั้นติดต่อกันนานถึงหปีประกอบกับที่ปกติผมเป็นคนค่อนข้างเคร่งขึนอยู่แล้วดังนั้นต่อให้เพื่อนๆจะซนขนาดไหน ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาแย่ผมบางครั้งผมเคยแอบมองในเป็นโตของเพื่อนๆเห็นมีทั้งปลาไข่หรือไม่ก็ผัดผักสีเขียวเขียวเห็นแล้วก็อดอิจฉาไม่ได้ยิ่งได้ยินเพื่อนๆบ่นกันเสมอว่าเฮ้อเบื่อมมกจริงๆเลยก็รู้อยู่ว่าเราไม่ชอบกินปลาดูสิยังจะห่อปลามาให้อีกว่าหมูก็ย่างซอสอีกแล้ว กินติดๆกันมาสาวันแล้วนะเนี่ยแต่พอก้มดูข้าวเปล่าในปินโตของตัวเองก็อดนึกขึ้นมาไม่ได้ว่านี่คือข้าวเปล่าที่แรกมาจากการขายตัวของพี่สาวผมปวดแปลขึ้นมาที่หัวใจจนแทบจะกินข้าวต่อไม่ลงรีบเก็บปิน่นโตขึ้นแล้วก็วิ่งไปนั่งซึมใต้ต้นไม้ข้างสนามกีฬาอยู่คนเดียวผมบอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ได้กินของดีด ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยยังไงชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปแต่ก่อนกับข้าวเน่าโบูดยังไงก็ต้องกินตอนนี้มีข้าวเปล่าให้กินอย่างนี้แล้วยังไม่พอใจอะไรเองหรือต่อมาเมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้นผมก็จะเจียวไข่หรือไม่ก็ใช้น้ํามันหมูกับซีอิ๊วคลุกข้าวมากินบ้าง เท่านี้ก็นับว่าเป็นข้าวหอปิ่นโตที่รูหราที่สุดแล้วสำหรับผมแน่นอนค่าเล่าเรียนก็นับเป็นปัญหาหนัก อ, อกอีกปัญหาหนึ่งตลอดระยะ12ปีของการศึกษานั้นผมเรียนด้วยทุนเรียนดีตลอดมาบางครั้งยังต้องเอาเงินทุนการศึกษามาแปลงเป็นค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวก่อนด้วยซ้ไปพรจนใกล้จะจ่ายค่าเทอมนั่นแหละผมที่จะเริ่มมานั่งกุมใจหลายครั้งหลายหน ทีวิตตกจนต้องร้องไห้ในคืนก่อนที่จะถึงวันจ่ายค่าเทอมด้วยไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะทําอย่างไรต่อไปสุดท้ายก็เดือดร้อนพ่อไปหยิบยืมคนบ้านโน้นบ้านนี้บ้านละนิดบ้านอหน่อยมาปกปะรวมกันเข้าดีที่พ่อตรวจจับชีพจรวินิจฉัยโรคและเขียนใบสัญญาให้คนในหมู่บ้านอยู่บ่อยๆดังนั้นการหยิบยืมเงินจึงไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรนัก ทั้งนี้ผมอยากจะขอกราบขอบพระคุณคุณหลินเหวยส่งและภระยาแห่งหมู่บ้านอูปวงอำเภ อ, รอูรอืไว้ณที่นี้ที่ท่านได้มอบทุนการศึกษาซึ่งช่วยให้ผมรอดพ้นจากอุปสรรคความทุกข์ยากนานัประการมาด้วยดีปกติเราไม่เคยได้กินอิ่มกันอยู่แล้วการเฉลิมฉลองเทศกาลก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงใหญ่เลยแม้จะเจ็บปวดอยู่บ้าง แต่ก็ต้องพยายามบังคับตัวเองให้ชินให้ได้สมัยเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่5ในวันก่อนวันเทศกาลไหว้บ า, าจจานวันหนึ่งจูๆ่ๆคุณครูก็เรียกชื่อผมขึ้นมาในห้องเรียนแล้วก็บอกว่าหัวหน้าชั้นเธอช่วยไปหยิบหนังสือคณิตศาสตร์บนโต๊ะในห้องพักครูมาให้หน่อยสิผมเป็นหัวหน้าชั้นติดต่อกันมาหลายปีและมักจะมีหน้าที่ช่วยหยิบนั่นถือนี่ให้คุณครูอยู่เสมอ จึงไม่ได้แปลกใจอะไรนักพอส่งหนังสือให้คุณครูเสร็จก็หันหลังจะกลับมานั่งที่เดิมเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งในชั้นหันมามองผมขอบตาแดงเรื่อผมคิดว่าเขาคงจะไม่สบายพอเลิกเรียนวันต่อมาหลังจากที่นักเรียนคนอื่นทยอยออกจากห้องเรียนไปหมดแล้วคุณครูก็เรียกผมให้เข้าไปหาที่ต๊ แล้วก็หยิบสิ่งของที่ห่อด้วยนังซื้อพิมพ์ห่อใหญ่ใใส่มือผมพอเปิดออกก็ได้กลิ่นขนมปังจางห อ, อมฉุยมีทั้งชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กทั้งไส้เค็มไส้หวานไม่เหมือนกันเลยสักชิ้นผมกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหลออกมาเงยหน้าขึ้นมองครูตาไม่กระพริบแล้วครูก็บอกว่าขนมปังจางเหล่านี้เป็นน้าใจจากเพื่อนๆจาก มาตอนหลังผมจึงได้รู้ว่าความจริงเมื่อวานหลังจากที่ครูกแกล้งใช้ให้ผมออกไปแล้วครูก็พูดกับเพื่อนๆว่านักเรียนทุกคนคงรู้แล้วใช่ไหมว่าบ้านของหน้าฉันน่าสงสารมากพ่อก็ตาบอดแม่ก็ปัญญาอ่อนและยังมีน้องๆ อ, อีกตั้งหลายคนพวกเขาคงไม่มีเงินห่อขนมว้าจางแน่ๆเลยพรุ่งนี้เป็นวันเทศกาลไหว้ขนมว้าจาเอาอย่างนี้ดีไหมคะ ครูว่าเราทุกคนน่ะช่วยกันเอาขนมบ้าจ่างมาฝากหัวหน้าชั้นกันคนละชิ้นให้ครอบครัวของหัวหน้าชั้นได้ฉลองเทศกาลไหว้บ้าจา่าเหมือน ก, นกันกับพวกเราดีไหมแล้วเพื่อนๆก็พากันเอาขนมบ้าจ่างมาฝากผมจริงๆบางคนถึงกับยอมสลับบ้าจ่างที่เป็นอาหารกลางวันของตัวเองให้น้ำใจห่อใหญ่นี้ทำเอาผมซาบเสงใจจนแทบจะพูดอะไรไม่ออกครูจึงพูดขึ้นอีกว่า รีบกลับบ้านเธอครูรู้จักว่าเธอจะพูดอะไรผมถอยไปข้างหลังหนึ่งก้าวแล้วก้มลงทําความเคารพครูอย่างขึงขังก่อนจะเดินจากไปแล้วน้ําอุ่นๆก็ไหลเร่งจากดวงตาหลังจากเทศกาลขนมพาาระจัรก็เป็นเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ซึ่งผมก็ได้รับขนมไหว้พระจันทร์จากทุกคนอีกเป็นความอบอุ่นที่คุณครูมีให้ เป็นความรักที่เพื่อนๆแบ่งปันให้ผมคุณครูท่านนี้คือครูเฉินสู่คุย้ยครูประจำชั้นสมัยเรียนประถมห้าและหกของผมครูผู้ทำให้ผมรู้สึกและสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นระหว่างเพื่อนมนุษย์และขนมว่าจ่างกับขนมไหว้พระจันทร์ที่อร่อยที่สุดผมคงไม่มีวันลืมเลยตลอดชีวิต